ส2องเบื่อเพราะสมถะและเบื่อเพราะวิปั ส, สนาวงเล็บเปิดสามมีนาคม25้าห้าสิบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสองวงเล็บปิดเราชอบไปคิดว่าต้องเพ่งๆเอาไว้ให้นิ่งๆก่อนแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกมันไม่ได้บรรลุเพราะการบังคับตัวเองแต่มันเป็นการบรรลุด้วยการที่เข้าใจตัวเองเห็นความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งพอเห็นแจ่มแจ้งว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะ มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเนี่ยถึงจะยอมปล่อยถึงจะละกิเลสได้ถ้าเห็นอย่างอื่นไม่ละหรอกก็แค่ข่มกิเลสเอาไว้ชั่วคราวอย่างเราทําใจให้สงบนะภาวนาหายใจไปแล้วเงียบสงบก็สบายอยู่อย่างนั้นพอสบายแล้วกิเลสมันแทรกถ้าจิตใจสติอ่อนมากๆก็โมหะแทรกนั่งแล้วก็เคลิ้มๆไปถ้าสติแรงหน่อยโมหะไม่แทรกนั่งแล้วมีความสุขนี่ราคะก็แทรกเข้ามาอีก ออกจากสมาธิมามานะอัตตาแทรกอีกแล้วกูเก่งกูเก่งคนอื่นทําไม่ได้กูทําได้แล้วยิ่งภาวนาแบบนั้นกิเลสยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นต้องภาวนาแล้วเห็นความจริงของกายของใจให้ได้เราจะเห็นเลยกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความทุกข์นั่งก็ทุกข์นะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความทุกข์ทั้งหมดเลยนอนก็ต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์ดูอย่างนี้นะหิวก็ทุกข์นะ อิ่มไปก็ทุกข์อีกหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นี่คน ท, ทั่วไปไม่รู้สึกว่าหายใจแล้วทุกข์ลองหายใจออกอย่างเดียวสิเดี๋ยก็ทุกข์แล้วลองหายใจเข้าอย่างเดียวเดี๋ยก็ทุกข์แล้วไม่หายใจเดี๋ยก็ทุกข์เนี่ยดูอยู่อย่างนี้นะทั้งวันทั้งคืนเราเห็นเลยว่ากายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะค่อยๆ ค, คลายความรักกายลงไป ในขณะเดียวกันก็ไม่เกลียดมันมันจะเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่เรายืมเข้ามาใช้ชั่วคราวเป็นของโลกฉะนั้นเราไม่เห็นจะต้องไปเกลียดเข้าเลยแต่อย่างเราไปพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรอย่างนี้มันเบื่อร่างกายเหมือนกันแต่มันเบื่อแบบติดลบไปติดเครื่องหมายลบไม่ได้เบื่อแบบเป็นกลางแต่เบื่อแบบมีโทสะเจือได้ง่ายๆเลยมันเกลียดร่างกายว่าสกปรกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นใจรักเนี่ย เราจะเป็นกลางไม่รักไม่ชอบหรือเราภาวนาดูจิตดูใจเราเห็นแต่จิตใจไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันเห็นแต่ว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะจิตใจเราบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดทางใจทํางานทั้งวันทั้งคืนเราเลือกไม่ได้เลยสั่งก็ไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้า ก็จะมีปัญญาว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกภาวนาจนเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราก็จะได้เป็นพระโสดาบันไม่ยากอะไรนะภาวนาเข้าฉะนั้นดีแล้วอย่าไปเพ่งเอาหลายคนชอบมีมิจฉาทิถฐิคิดว่าเริ่มต้นต้องเพ่งให้นิ่งๆก่อนเพง่เพงๆไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจะบรรลุถ้าบรรลุได้ด้วยการเพ่งนะอาลารดาบทอุทธกระดาบทพวกนี้เพ่งเก่งเก่งก่อนเจ้าชายศิทัตสอีกพวกนี้ก็บรรลุไปก่อนแล้ว พวกนี้ตายนะพระพุทธเจ้านึกถึงท่านอุทานบอกว่าพลาดจากคุณอันใหญ่พูดภาษาไทายง่ายๆคือชิบหายแล้วไม่ใช่ดีนะซวยแล้วบอกอย่างนี้เราทำสมาธิทำความสงบเนี่ยเพื่อให้ใจได้พักผ่อนพอใจมีกำลังแล้วต้องเดินปัญญาไม่ทำสมาธิเลยก็ไม่ได้จิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่มีความตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญา แต่ถ้าสงบตั้งมั่นอยู่อย่างเดียวเฉยๆซื่อบื้ออยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมรู้กายรู้ใจก็ไม่มีปัญญาฉะนั้นงานหลักของเราคือวิปัสสนาต้องรู้กายต้องรู้ใจตามความเป็นจริงโดยมีสมาธิเป็นเครื่องสนับส น, นุนในระหว่างรู้กายรู้ใจใจต้องตั้งมั่นใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูใจอยู่ต่างหากนะร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกอยู่ต่างหาก เห็นแต่ละตัวแต่ละตัวทำงานไปเรื่อยๆแล้วเห็นว่าไม่มีเราอย่างนี้ถึงจะละกิเลสได้